อันสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและพระโยคาวจรทั้งหลายวันนี้มาต่อกันเรืร่องเกษินสิทธิเป็นอนันมา่าการปฏิบัติในกษินสิทธิคพูดกันมาโดยย่อ จะทำกสินกลองใดกองหนึ่งก็ตามให้ถือมาตรฐานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนกับพระลูกชายในช่างทองเป็นสำคัญอารมณ์ของกสิณนั่นชาญที่หนึ่งยังรู้คำภาวนาในลักษณะของกสิณกองนั้นเมะ่ได้เห็นภาพของกสิณโดยทางใจมีการมีเป็นประกายแพรว สามารถจะมาคับให้ภาพกอสิล น, นั้นเล็กก็ได้ใหญ่ก็ได้สูงก็ได้ต่ำก็ได้อยู่ข้างซ้ายก็ได้อยู่ข้างขวาก็ได้ไปอยู่ข้างหลังก็ได้ให้คล่องตามนั้นแต่ฝึกศิลป์กอนไหนให้คล่องจริงๆในกล่องนั้นอย่ารีบอย่าร้อนให้มันได้จริงๆทําเหมือนกับที่แนะนําในการตักน้ําด้วยกระป๋องน้ำมันั้นจริงๆมีผล พอสมาธิจิตเข้าถึงฌานที่สองภาพกระสินจะสายจัดคำภาวนาจะหายไปจิตใจจะมีการตั้งมั่นมากขึ้นจับภาพกระสินทรงตัวได้ดีกว่ามีจิตสงบสงบดีกว่ามีความเอิบอิ่มในใจพอนลีงภาพที่สามภาพความอิ่มในใจหายไปมีจิตใจตั้งอารมณ์เครียดตึงเป่งทรงตัวเป็นสมาธิมากขึ้น ร่างกายรู้สึกว่าเหมือนสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งมันมามัดเขาไว้ให้มีการทรงตัวเหมือนกับหลักที่ปักแน่นๆหูได้ยินเสียงภายนอกน้อยๆใจทรงอารมณ์เฉพาะจิตจับในภาพกระสินไม่คลายตัวนานแสนานานจะทรงยี่ได้แบบสบาย พอจิตเข้าเดงทานสี่ปรากฏทับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฌานที่สามหูจะดินเสียงภายนอกเบาๆไม่ได้เสียงดังก็เบวนิดเดียวจิตจะไม่โยกโคลนจิตจะไม่หวั่นไหวไม่สอดสายไปสู่อารมณ์ใดๆทั้งหมดจิตจะทรงตัวมั่นพอถึงฌานที่สี่จิตจะวางอารมณ์ตัดภาระภายนอกทั้งหมดเป็นแปลว่าตอนนี้จิตกับกายแยกกัน เห็นภาพกสินมีสภาพแจ่มใสแต่ว่าประสาททั้งหมดของดังกายจะกระทบกระทั่งอะไรใจไม่ยอมรับรู้เป็นอวัจิตกับกายแยกกันเด็ดขาดส่งอารมณ์เป็นอุเบกขาอารมณ์กับเอกขตาอารมณ์เอกคตาค อ, อารมณ์คือเมรุลมจับภาพกระสินไปนอารมณ์เดียวนิ่งอารมณ์สว่างสวัยมีกําลังใจโปรง่งเบื้อข่าทรงเฉยไม่รู้หนาวไม่รู้ร้อนไม่รู้ปวดไม่รู้เมื่อย ยุงจะกินลิงจะกัดไม่รู้หมดอย่างนี้เป็นอาการของชั้นสี่เมื่อทํากระสิงกองใดกองหนึ่งได้ถึงชั้นสี่แล้วต้องทรงกระสิงกองนั้นให้ชําให้คล่องเม็ดเจ้เข้าชั้นสี่เมื่อไรก็เข้าได้เข้าชั้นสามชั้นสองชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นให้เข้าให้มันคล่องตามจย่าวะตามลําดับชั้นส่แล้วถอยไปถอยมาถอยมาถอยไป เรานึกว่าเข้าชั้นหนึ่งแล้วอยากจะเข้าชั้นสี่ทอนจากชั้นหนึ่งไปเข้าชั้นสี่ทอนจากชั้นสี่ไปเข้าชั้นสองทอนจากชั้นสองไปเข้าชั้นสามทำอย่างนี้ก็ได้ให้มันคล่องสลับกันไปสลับกันมาตอนนี้ฟังแล้วรู้สึกเหนื่อยไหมเหนื่อยแน่สําหรับคนที่ไม่เอาจริงแต่คนที่ท่านมีอิทธิบาทสี่ท่านไม่เหนื่อยท่านสนุก ข้าวชันตามลําดับแล้ข้าวกระสินตามลําดับชันหนึ่งสองสามสี่ข้าวชันถอยจากสี่สามสองหนึ่งข้าชันสลับชันหนึ่งแล้วก็สามสามแล้วก็สองสองแล้วก็สี่เล่นอย่างนี้ให้เป็นปกติทั้งนั่งอยู่ทั้งยืนอยู่ทั้งเดินอยู่ทั้งนอนอยู่นอนนอนหลับหลั บ, ล บ, ลบตกใจเตื่นขึ้นมาเลยจับชันสี่ชันสามชันสองชันหนึ่งได้ทันทีตามที่ต้องการเดินไปเดินมา มันแสนจะเหนื่อยแม่งวิ่งก็ได้ไม่ว่าจะเดินวิ่งเล่นเส้นก็ยังได้ ใ, ใหญ่คนเห็นนะถ้าคนเห็นเขาจะหาว่าบ้ า, าก็ยังหาว่าเราเป็นคนบ้าทําอะไรให้มันเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหน่อยมาปรับจิตฉันจะเข้าฌานสีละมันเข้าได้ทันทีจะไม่ยอมเสียเวลาแม้แต่หนึ่งวินาทีเดียวอย่างนี้เรียกว่ามีความชํานาญในการเข้าฌาน ตามภาษาบาลีท่านเรียกว่านาวสีไอ้นวสีนาวเสืออย่าไปพูดกันเลยภาษาที่จถวบ้านไม่รู้เรื่องไม่ต้องพูดกันเน้่มีความช้านาญมีการคล่องในการเข้าฌานไม่เมื่อการคล่องในขันการเข้าชากนการสิงกองใดกองหนึ่งคล่องดีแล้วเอาให้คล่องเล่นให้ช้ำเล่นหลายๆวันถ้าครึ่งเดือนนั้นหนึ่งเดือนก็ยิ่งดีตัวคล่องนี่ให้มันคล่องจริงๆทุกท่าทุกวิยาบท ตื่นนอนใหม่ๆคว้าจับตั้งใจไว้จะเข้ากระสินอะไรเข้าชันอะไรได้ทันทีนี่เมื่อคล่องแบบนี้แล้วก็หันจิตไปจกกับกระสินกองอื่นก็เหมือนกันไม่มีอะไรเป็นแค่เพียงเปลี่ยนรูปเท่านั้นเปลี่ยนคำภาวนา น, นิดหนึ่งอยากจะคลุกคลักจริงๆก็อยู่ในเกณฑ์สามวันแล้วก็ทรงชันได้คล่องเหมือนกัน นี่เป็นอันว่าเสียเวลาจริงๆกระสินกองแรกกองเดียวแต่ช้ามีความชานาญพอกระสินทั้งหลายเหล่านั้นก็จะเอาละกองละสามละสามสามเก้ายี่สิบเจ็ดเป็นอันว่าอีกยี่สิบเจ็ดวันแล้วก็ได้ครบสิบกองหลังจากกองแรกเราได้แล้วรองกองแรกจะเสียเวลาเป็นเดือนก็เชิญเสียไป เมื่อมันได้กสิณนั่สิบกองแล้วเข้าฌานยังคล่องเฉพาะกสิณตอนนี้ก็หัดมาเข้าฌานฌานที่หนึ่งของปฐวีกสิณฌานที่สี่ของอากาศกสิณฌานที่สองของวาโยกสิณฌานที่สามของเตโชกสิณเข้าฌานตามลําดับฌานตามลําดับกสิณแล้วเข้าฌานสลับฌานสลับกสิณเล่นให้คล่องนึกคือมาวันไยได้อย่างนั้นทันที ถ้าทำได้อย่างนี้ก็ชือว่าการฝึกกสินจบจบเริ่มการฝึกกสินการทรงอภิญญาสมาบัติได้ผลแล้วมีการทรงอภิญญาสมาบัติได้ผลยังไงจะแนะนำจะพกกสินสักกองใดกองหนึ่งสมมติมาเล่นเต เ, เล่นปฐวีกสิน ถ้าพูดถึงปัวีกสินน่าจะเป็นนึกถึงเรื่องในเรื่องของพ่อปายเขาน่ะจะเป็นนั่งเวเราะแล้วก็จมน้ำตายไปตามๆกัน <c oughs> ปัวีกะสินมีคุณค่าในการทำของให้ของอ่อนให้แข็งเอาน้ำใส่แก้วเขาอย่างอื่นก็ทำเหมือนกันอาจจะแนะนำให้หมดทุกกลองในการทำให้คล่องมันเป็นเรื่องของท่าน น้ำใส่แก้วเข้าตั้งจิตอยู่ในอุปจารสมาธิอธิษฐานน้ำในแก้วนี้จงแข็งแล้วก็ทําจิตเข้าถึงฌานสี่ให้จิตทรงตัวพลอยรลังมาถึงอุปจารสมาธิอธิษฐานใหม่ว่าน้ำนี้จงแข็งอน้ําจำมือจิ้มลงไปในน้ำํำมันแข็งหรือไม่แข็งพ้ยังไม่แข็งก็ใช้ไม่ได้อธิษฐานกันใหม่ทําก็แบบนี้จึงคล่องถ้าไม่แข็งแล้วก็ทําให้มันแข็งให้มันชิน ต่อไปนึกปรั๊บบนน้ํานี้จงแข็งแข็งทันทีอย่างยี่ใช้ได้ให้คล่องตัวแบบนี้นี่ ส, ส่กระสิงกองอื่นก็เหมือนกันทําแบบนี้ให้มันชินให้มันคล่องนี่เราจะใช้พิญญาสมาบัติอยากจะดําดินก็ได้อยากจะเดินน้ําก็ได้อยากจะเหาะ ก, ก็ได้ อย่าจะดิษฐานในไฟลุกขึ้นใหม่ชนที่ไหนก็ได้ทำที่มืดให้เป็นแสงสว่างก็ได้ทำที่แสงสว่างให้เป็นที่มืดก็ได้จะทำนิรมิตอะไรก็ได้หูก็เป็นทิพย์ตาก็เป็นทิพย์เห้นเหินในอากาศก็ได้ได้ทุกอย่างตามที่เราต้องการแต่ว่าอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นแบบประเภทดีเป็นเรื่องของชาวโลกคนนะ่ะ ทำใหคนนี้รักกันทำให้คนนี้แตกกันอนอย่านี้ไม่ใช่การสิงเพราะเขาว่าพระพุทธเจ้าแล้วเป็นการสิงเขงยาไม่ยอมตายแล้วก็ต้องโนนไปอยู่ในอเวจีมหานรกใช้ได้สิ่งที่เป็นคุเนี่มาพูดกันถึงการเจริญการสิงเข้าฌานสี่จึงคล่องแบบนี้นี่เราก็สามารถจะทรงอภิญญาสมาบัติได้แบบไม่ยาก นึกอะไรก็ได้มันนึกพักเดียวมันเป็นได้ทันทีอย่างนี้อย่างที่พระโมคคัลลาท่านคิดว่าจะไปสวรรค์ท่านบอกประมาณลัดนิ้วมือเดียวอามาวะชาไปในการลัดมือนี่มันต้องตั้งทางมีถ้าเราเล่นกสินได้พิญญาสมาบัติแบบนี้มีหูทิพตาทิพถอดกาย่อดจิตไปได้ไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้ตามความประสงค์ นี่มาเธอถามเรื่องความมุ่งหมายมันก็ฝึกไว้ทําไมเขาฝึกกันเอาวไว้เป็นคู่มือในความเป็นพระอรหันต์กำลังใจเมื่อเข้มแข็งอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องพูดถึงนิวรณ์นี่ก็ไม่ต้องพูดถึงจริตเพราะว่ามันชนะหมดแล้วถ้าไม่ชนะนิวรณ์ไม่ชนะจริตก็ทรงฌานสมาบัติเป็นอภิญญาสมาบัติไม่ได้ แต่เรายัางอยู่ในฐานะพิญญาสมาบัติฝ่ายโลกีเดี๋ยวนั้นก็เสื่อมถ้าพระหนุ่มเป็นสาว น, น้อยกลอยใจหน้าตาละมุนละไมผิวสวยเสียงเพราะลีลาดีดีไม่ดีกระสินก็พังในเมื่อเราทำให้พิญญาสมาบัติได้ขดนาดนี้เราก็ต้องคุมไว้ไม่สลายตัว เวลาคุณไม่สลายตัวจะางไงก็เ ข, เข้าถึงฌานสี่สกับสิงกอใลกยกอหนึ่ง <c oughs> แล้วล้วก็มาคุมอารมณ์เพื่อความเป็นประสูนดาบันเลยไม่มีอะไรยากให้รู้จักการเกิดการแก่การเจ็บการตายก็เอาก็สิณปัญญาในประฏิสูตรได้ทุกชาติทุกภพ ถอยหลังไฉ่ก็ตนไปกี่แสนไฉ่ก็ได้ก้าวหน้าไปก็ได้ของใครก็ได้เมื่อได้ขนาดนี้แล้วคําสงสัยคําว่าสงสัยในคําสั่งและคําสอนขององค์สมเด็จตั้งสมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีดูตัวอย่างดีคนละเมิดศีลไปดูมันเองในเมืองนรกไปถามสัตว์นรกแต่ละพวกจะทราบชัดว่าเขาละเมิดศีลข้อไหน ยิ่งลงนอกมีทุกขเวทนาแบบนี้ไปถามเทวด า, าถามพรหมที่ท่านทรงศีลบริสุทธิ์ท่านก็บอกให้เราเห็นโทษของการละเมดิดศีลเห็นคุณของการทรงศีลเราก็มาทรงศีลให้บริสุทธิ์นี่เราจะเป็นประสูดาบันแล้กวกาการที่จะถ้าจะถามกันไปทีว่าไอ้การทรงศีลบริสุทธิ์นี่ต้องฝึกใหม่ไหมมันก็ไม่มีอะไรนี่ เพราะว่าชานโลกีถ้าสินบกค่องมันไหลชานมันก็พังมานั้นสินดีมันไหลชานกพโพลอที่มาทรงศินบริสุทธิ์คุมศินให้ดีศินมันเคยคมอยู่แล้วก็คมอยู่ แ, แบบสบายๆเพราะว่าเรามี เ, าเราอีเมียที่บาศีครบถ้วนมีกําลังใจครบถ้วนเป็นของไม่ยากแต่ความจริงๆแล้วท่านที่ได้พิญญาสมาบัติ เขาไม่มาหมวดนั่งเล่นพระโสดาสีทาคากันหรอกเพราะอะไรเพราะกำลังอ่อนไปย่อนดับตามที่สุดก็จับอนาคามีเลยทุกอย่างก็มีครบอยู่แล้วเหลืออย่างเดียวพิจารณาว่าออร่างกายของเรานี่มันเป็นเราเป็นของเราหรือเปล่า น, น, น, นี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายคนนี่มันดีแล้วมันเลว มองปั๊บเดียวเห็นไส้ตับไตไส้ปอดหมดในร่างกายไม่มีอะไรเหลืออยากจะดูจิตใจของคนที่เราอยากจะรักไอจิตใจของคนที่เราอยากจะรักมันก็เต็มไปด้วยความเลวเต็มไปด้วยความโลบโมโตสันหาจุดจบถึงก่บความปรารถนาไม่ได้เป็นอันว่าไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรคน ตัดความรักได้ซิได้แบบง่ายๆเรื่องความโกรธความย่บาทเราก็ห้ำหั่นซะแล้วหําหั่นห้ำหั่นซะแล้วด้วยกําลังของชายมันไม่มีแรงจะดิ้งก็ตัดเช่นเลยทีเดียวว่าไอ้การโกรธความย่าบาทก็อาศัยตัวเองเป็นสําคัญร่างกายเป็นสําคัญเราโกรธคนนะั้นเราโกรธกายเราถือตัวเราเราถือกายแล้วไม่ได้ถือใจ ไอ้กายที่เราคิดเจอะฆ่ายังไงยังไงมันก็ตายส่วนนายเขามันคือใจที่เราไม่คิดจะฆ่าถ้าอยกฆ่าใจของบุคคลอื่นก็ไปการควรจะฆ่าใจของเราที่มันครบความชั่วฆ่าอารมณ์ความชั่วในใจของเราให้สิ้นไปอย่าไปสนใจกับวาทะของบุคคลอื่นที่พูดเสียดแทงไม่อย่าไปสนใจกอาการของบุคคลอื่นที่เสียแทงใจเรา เพราะอะไรเนี่ยเไม่นด่าใจเขาด่าขายกายเขาเราประเดิมแล้วก็พังใจเราไม่รับรู้กายมันถูกด่าเขาช่างมันเป็นวตัตถสภาวะความรักในเพกความโกรธความกระทบกระทั่งจิตใจแท้หมดเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ปรากฏว่ามันมีผลเป็นทุกข์ถ้าเราสงสัยก็ถอดอธิสมารใ น, ในกายก็ไม่ถอดก็ได้ไปมาเลยทั้งตัวก็ได้ไปถามพระท่านดู พระท่านอยู่ที่ไหนเราไปหาได้ยังไงก็ให้มันได้พิญญาหกซะก่อนท่านได้พิญญาได้ก่อนค่อยพูดกันท่านได้พิญญาแล้วถ้ายังไปไม่ได้ก็มาคุยกันใหม่ว่าทําไมถึงไปไม่ได้ท่านได้พิญญาแล้วไปไม่ได้แล้วก็โกหกกันแน่จับโกหกกันแน่แล้วถามว่าจะไปหาพระที่ไหนที่ไปมีอยู่ เราศึกษาตรงเฉพาะพระก็แล้วกันพระสอนมายังไงปฏิบัติแบบนั้นเราไม่ต้องเรียนเพื่อความเป็นเบโซดาไม่ต้องเรียนเพื่อความเป็นสกิทาคาไม่ต้องเรียนพระ อ, อนาคาเพราะพระอะหันกันเลยเพราะว่ากําลังของท่านที่ได้ปัญญาถ้าจะไปเทียบกับสุขวิปัสสโกมันไกลกันลิกลับไกลแบบเทียบกันไม่ได้กําลังสูงกว่ากันมาก กันคล้ายๆกำลังหมู ก, กำลังช้างสุขาวิปัสสโกก็กำลังหมูเชละพิญโยก็มีกาลังเหมือนกาลังช้างในเมื่อมีกำลังเหมือนช้างแต่ภานะพระอันใดที่หมูแบกได้ช้างแบกไม่ได้ไม่มีเป็นอวสิ่งที่หมูแบกไปได้โดยคล่องชั้นใดช้างหยุดก็แล้วมันก็ไม่รู้สึกหนักก็ไปได้คล่องกว่าหมู ข้อ น, นี้มีประมาณชั้นในการตัดการมฉันทาก็ดีการตัดปฏิคะก็ดีความเมาในรูปใบชัยก็ดีความเมาในรูปใบชัยก็ดีการเมาในมานะการถือตัวถือตนก็ดีสามารถจะแก้โดยยานด้วยฌานที่ได้มาห <c oughs> น้ารมพุ่งสัานก็ดีด้วยความโง่ที่ไม่เข้าใจในอริยสัจก็ดี สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีปัญญาแหลมคมและมีกำลังมากโดยกำลังชั้โดยเฉพาะได้ศึกษากับพระอาจารย์ที่ไม่ใช่มนุษย์มีไหม ม, มีหรือไม่มีอาจารย์ที่ไม่ใช่มนุษย์ถ้าถามท่านท่านอาจจะตอบว่าไม่รู้ถ้าถามาตมาตมาก็ตอบว่ามี ถ้าถามว่ามีเวลานี้ท่านอยู่ที่ไหนก็ต้องตอบว่าไม่ยอมบอกให้ทราบจะไปบอกกันทําไมที่อยากจะรู้ก็เชิญทําให้ได้แล้วก็ไปให้ถึงคนพูดเคยทําได้เคยไปถึงไหมก็ตอบว่าไม่รู้เหมือนกันนึกไม่ออกเวลาที่พูดนี่นึกไม่ออกเพราะไม่อยากจะนึกจะมาถามกันทําไม เป็นอันว่าที่พูดมานี่ก็ขอพูดให้ฟังว่าพูดตามหลักวิชาเท่านั้นไม่แช่เอาตัวเข้ามาเทียบจะมาถามว่าได้แล้ว ม, มากระตอบว่าไม่รู้ถามว่าไม่รู้ตอบได้ยังไงบอกก็ตอนก็พูดมาได้หรือว่าตอบก็ได้บอกตามหลักวิชาตามตำรับตําราที่ท่าเขียนไว้บ้างตามที่ครูบาอาจารย์ท่างหลายท่านแนะนําสั่งสอนบ้าง แล้วก็ตามท่านที่อยู่อยู่เดินเดินอยู่ในประเทศเลื่อแผลบเดียวถึงพุทธคยาเลื่อถึงทัศมาหารเลย อ, อีนิดเดียวถึงสุวรรณวิหารเลื่อนหน่อยเดียวไปแหลงกานี่อย่างนี้ตัวเขาเป็นอว่าท่านหลายเหล่านี้ท่านได้พิญญาสมาบัติ เมื่อท่านได้พิญญาสมาบัติก็ถามท่านท่านบอกไม่ฟังอย่างนี้ก็พูดให้คนฟังแล้วผู้รับฟังจะเชื่ อ, อไม่เชื่อถ้าบอกว่าเชื่อทันทีอาตมาก็ขอตำหนิในการทันทีแบบนี้องค์สมเด็จพระจินศีถิว่าเปอธิมโมกขสัทธาเชื่อโดยการไม่ใช้ปัญญาพิจารณาและไม่ลองปฏิบาททาัติตาม ก้นประเภทนี้ใช่ไม่ได้ไใช่ไม่ได้แล้วก็ไม่อยากจะคบคบกันได้ยังไงพูดให้ฟังเดี๋ยวเดียวก่อดีไม่ดีไปฟังคนอื่นก็บอกว่าไอ้แบบนี้ใช่ไม่ได้ดีกว่าก็ไปเชื่อเขาอีกแล้วไปคบคนดี้สามว่าไอ้สองแบบที่ฟังมันมันใช่ไม่ได้แบบนี้ดีกว่าก็เชื่อเขาอีกก้นประเภทนี้ ไม่ค้าพ่ออะไรเพราะไม่ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาตามความเป็นจริงพระต้องการอย่างเดียวคือคนใช้ปัญญาและปฏิบัติตามก่อนที่จะปฏิบัติตามใช้ปัญญาพิจารณาเสก่อนเพราะธรรมที่พระพูดมานี่คนดีแล้วไม่ดีจริงแล้วไม่จริงสมเหตุสมผลไหม แต่พิจารณาด้วยปัญญาให้ว่าสมเหตุสมผลเป็นการเป็นของควรเป็นของดีแล้วก็เชื่ออย่างนี้ใช้ได้แต่ยังใช้ได้เล็กๆไม่ใช้ได้ใช้ไดใ้ใหญ่จริงๆนี่เขาต้องปฏิบัติตามด้วยต้องดูตัวอย่างพระสารีบุตรกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งหนึ่งมีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่มีประสงค์ไปชมกันอยู่มาก ในเวลานั้นองค์สมเด็จพระพูมีพระผ้าเจ้าทสสรงแสดงวัรมเทศนาซึ่งเป็นผลตัดความทุกข์ให้เข้าไปหาความสุขเมื่อพระองค์ทรงตรัสจบ ก, ก็ถามพระสารีบุตรว่าสารีบุตรตะโนก่อนสารีบุ ต, ตรตถ้อยคำเดชะมาพูดมานี้เธอเชื่อไหม พระสารีบุตรได้กล่าวทนว่าข้าพระพุทธเจ้ายังไม่เชื่อพระพุทธเจ้าข้าตอนนี้บรรดาพระทั้งหลายพากันมองหน้าพระสารีบุตรรวมความมาเริ่มเกลียดน้ำหน้าพระสารีบุตรทั้งนี้เพ่อใหร่พระหาว่าพระสารีบุตรท่านนลงตนที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงยกย่องว่าเป็นอกักสาวกเบื้องขวาเป็นผู้มากพุทธวญญา พระเป็นอ้ดเก่งดีกว่าพระพุทธเจ้าองค์สมเด็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีเมตส่งทราบนักบาราณจิตเขามรรดาพระสงค์ท่านหลายอันนี้กล่าวว่าเธอทั้งหลายจงจําคําของสารีบุตรไว้แล้วองค์สมเด็จไปจอมใจกันถาว่าทําไมจึงไม่เช <Okay. S 3> ื่อพระสารีบุตรจึงได้ตอบว่าข้าพระพุทธเจ้าจะต้องนําไปประพฤติปฏิบัติก่อน ถ้ามีผลจริงตามที่องค์สมเด็จพระจินวรสรงตัดข้าพระพุทธเจา้าข้อใเชื่อถ้าไม่มีผลจริงข้าพระพทเจ้าก็ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมาศาสดาจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดวรรดาประสงค์ัว่าเธอทั้งหลายจงเอาอย่างสารีบุตรพุทธอะไรไปแล้วจงอย่าเพิ่งเชื่อใช้ปัญญาพิจรารณาเสียก่อนแล้วไปปฏิบัติ ถ้ามีผลจริงตามนั้นแล้วเชื่อมีและบรรดาท่านหนังหลาย <c oughs> การดีท่านหนังหลายพอรับฟังแล้วก็เชื่อแต่มาจึงบอกว่าไม่อยากคบอยากแยกคบคนประเภทเดียวฟังแล้วใช้ปัญญาคิดอย่างเดียวยังพอลงมือทำด้วยทําอย่างจริงจั ง, ท, งทําอย่างจิติบาศสี่คือมีฉันทะความพอใจมีวิทยามีจิตตะเอาใจสดจดจ่ออยู่ มีวิบังคาใช้ปัญญาพิลาปฏิบัติทำอย่างนี้องค์สมเด็จพระสงฆ์สมัตทรงชมเชยชั้นใดอาตมาก็ชมท่านกันนั่นสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาเส็จแล้วขค า, าวาจรท์ทั้งหลายยมพายกันตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้ใช้ปัญญาพิจารณาประธรมคําสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระพักร์ทรงฌานสมาบัติด้วยกําลังจิตต้อง่านกันได้ตามสมควรกับเวลา ความสุขสวัสดิี่พัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีดมันดาพุทธาทร้งประโยคาว่าจรทุกคนโดยทนหน้าสวัสดี